คืนที่ฟ้ายังเหยียบงันหัวใจฉันยังเรียกเธอวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนไปเรื่องราวมากมายเลือนหายผู้คนเดินผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างในใจยังคงชัด ทุกครั้งที่ลับตาแม่โลกจะพาเราไกลแค่ไหนแม่ทางจะไม่เหมือนเดิมฉันยังรักเธอคุณนั่นเงยังรักเหมือนวันแรกที่เจอไม่ว่าเวลาจะเปลี่ย ไไม่่เเเคยยยปปลปลีนฉันยังรักเธอคุณนั่นยังเก็บคำว่ารักไว้สมอต่อให้คืนนี้ไม่มีเธอเปนรักของฉันยังอยู่ที่เดิรูปถ่ายเก่าในลิ้นชัก ยังทำให้ใจสั่นไหวเสียงของเราวัวนหนึง่งดังอยู่ในความทรงจำบางครั้งน้ำตาก็ไหลเมื่อคิดถึงเรื่องของเราแต่ไม่เคยเสียใจเลยที่คร ไม่เคยเปลี่ยนไป มแม้ไม่มีสิทครอบครองเกินภาวานี้เธอมีความสุขฉันยังรักเธอคน่นนั้งยังรักฉันหมดทั้งหัวใจไม่ว่าโลกจะหมุนไปไกลเท่าไรรักนี้จะไม่ the l r d play